ส่วนวิวัตนโถสภาพที่หลีกออกหลีกออกจากไหนพันในในแน่ววิวิตนตโถวิวัตนโถเนี่ยอันเดียวกันนะในหน้าสองร้อยเจ็สิบแปดบรรทัดล่างสุดที่ว่าหลีกออกจากนิมิตและปะวัตตะก็พยายามอย่าหลงประเด็นว่าตอนนี้พูดมักอย่างเดียวขณะที่อริมักเกิดเท่านั้นนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยที่เหลือก็ฟังคาําอธิบายอย่างเดียวคิดตามท่านอย่างเดียวนะเราไม่ต้องว่าเราเองหรอก เพราะว่าขณะนั้นขณะที่อรรยมรรคเกิดขึ้นที่ที่กําลังพูดอยู่นี้ทั้งหมดนะส่วนสันตโธเนี่ยนะสันตะ บ, บางทีก็แปลว่าสงบบางท่านตรงนี้แปลว่าละเอียดคําว่าสงบละเอียดหมายถึงว่าเพราะดับกิเลสแล้วเพราะดับดับกิเลสดับสมุทัยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าละเอียดหรือสงบเพราะดับกิเลสตณีตัดโธประนเนี่ยนะคือไม่ทําให้เล่าร้อนเพราะเป็นธรรมะสงบหรือเป็นธรรมะสูงสุดจึงเรียกว่าประีิด ป ร, ประเนีดนะตณีตัดโถตณีตัดโถนั้นจึงสงบประณีดไม่เร่าร้อนเลยส่วนข้างบนสามตัดโถนั้นก็หมายถึงสงบเพราะดับกิเลสประณีตก็คือไม่เร่าร้อนเพราะเป็นธรรมะที่สูงสุดส่วนวิมุตตัดโถหมายถึงว่าหลุดพ้นจากกิเลสและน้อมไปในอารมณ์คือนิพพานหลุดพ้นก็คือพ้นจากกิเลสกับพ้นจากสังขารโดยที่น้อมไปในนิพพาน อาณาสะวะัโถไม่มีอาสะวะเลยคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอีกต่อไปอาณาสะวะตัวนั้นเนี่ยไม่ประกอบด้วยอาสะวะไม่สัมพยุดด้วยอาสะวะไม่เป็นแดนโคโจรแห่งอาสะวะอาสะวะไม่เที่ยวไปณแถวนี้อยู่แล้วเนี่ยนะของร้อนแมลงวันไม่เกาะเพราะงั้นนนเหล็กร้อนเผาเหล็กที่ถูกเผาไฟทั้งวันเนี่ยนะร้อนระอุขนาดนั้นแมลงวันไม่เกาะอาสะวะประดุดแมลงวัน ไม่เกาะอารยมักก็เลยเรียกว่านาสวัตโถเนี่ยนะส่วนตรณโถธรรมะเป็นเครื่องข้ามข้ามหมายถึงว่าก้าวล่วงกันดานตรนั้เนี่ยนะหมายถึงข้ามข้ามอะไรข้ามจากกันดานอะไรกันดานกิเลสมันกันดานสังสาระมันกันดานกันดานไปด้วยชาติชรามรณะอย่างตอนนี้กันดานด้วยน้ำท่วมเนี่ยนะอาสวะนี่มันกันดานมากเลยไม่ใช่วัดป่านี่มันกันดานแห่งแหลรงมั่งน้ำท่วมบั่งเนี่ยนะ มันตรรนะเนี่ยข้ามข้ามจากวัตะข้ามจากกิเลสส่ว so, นอนิมิตตานี่นะวิปัสนาอริยมร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรอริยมรคเนี่ยเป็นอนิมิตตวิโมกอ่ะนะถ้าถ้าดูบาลีจะเข้าใจดีกว่าอริยมร์เป็นประเภทอนิมิตตวิโมกอริยมร์เป็นอปปนิหิตาวิโมกอริยมร์เป็นสะุญตาวิโมกอนะตรงตรงนะบางอย่างนะดูบาลีแล้วจะเข้าใจแปลออกมาแล้ววุ่นวายหมดเลย ไ hey, ออารยมรักไม่มีเครื่องหมายเป็นยังไงฟ <c oughs> ังแล้วยุ่งมากๆแต่เออไม่มีที่ตั้งคือตันหาเออพอเลิกได้ฉนั้นอารยมรักนี้ถ้าพิจารณาสังขารแล้วบรรลุพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงบรรลุเรียกว่าอนิมิตะาอนนอนิมิตตโถถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์แล้วบรรลุเรียกว่าอัปนิหิตะอัปนิหิตะวิโมกอนะถ้าบรรลุโดยความเป็นอนัตตาแล้วบรรลุเรียกว่าสญญตาวิโมก ยอมเชื่อยอมนั่งฟังเนี่ยนะผมมาเชื่อว่าเข้าใจกว่าแตมาอ่านตอนแรกมั่งสิบเท่ามั่งราว่าอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ก่อนเนี่ยอุย้ยงงที่สุดยากมากท่านพูดอะไรของท่านเราไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยเนี่ยนะที่มาของถ้าต้องเล็บมงเล็บบาลีไงกลับไปดูบาหลีแล้วเออค่อยตื่นขึ้นมาบ้างเนี่ยนะถ้าไม่ดูบาลีนะอุยกิดเสมอการไม่ล่วงเลยกันเป็นคู่กันแล้วอ่านไปก็ง่วงจริงๆเลยวันนั้นนะนี่ย ส่วนอริยมรรคเนี่ยนะสี่ข้อสุดท้ายเนี่ยผู้การคุ้นเคยเลยเนี่ยการกระท่องได้แล้วอริยสัจสิบสิบหกนะอริยมรรคมีอะไรนิยานิกาเหตตาเหตเหตเนี่ยนะทัศนะอธิปตัตยะตรงนั้นแหละขณะที่อริยมรรคเกิดนี่เป็นนิสรณ ะ, อะขออภัยนิยานิกะคือนําออกจากสังขารและแห่งอริยมรรคเนี่ยคืออริยมรรคตัวเนี้เป็นตัวที่นำออกนำออกจากอะไรนําออกจากวัตต อริยมรรคเป็นเหตุถ้าไม่มีมรรคเนี่ยเป็นเหตุนะให้นะไม่ถึงนิพพานหรอกมรรคนี่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมรรคเนี่ยทําหน้าที่เห็นเรียกว่าทัศนะเห็นคือเห็นนิพพานทํานิพพานให้ประจักษ์เลยนะแจ้งแจ้งเลยไม่รู้ว่าแจ้งแบบไหนไม่ทราบใครเคยเห็นมาเล่าให้ฟังด้วยส่วนอธิปไตยะเนี่ยนะโหยิ่งใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเลนี่อธิบายตั้งสามสิบเอ็ดข้อแล้วไเน ก็อริยมรรคนี่ใหญ่ใหญ่ด้วยโพธิปักฉิยธรรมสามสิบเ็ดประชุมกันนะสติประธานสมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงเป็นต้นประชุมกันหมดเลยแล้วก็ในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้น น, นะสัตทินรี่เป็นต้นก็ประชุมอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์นั้นคําอธิบายทั้งสามสิเอดคำเนี่ยถ้าใครจะเจริญธรรมานุสตินะเอาไว้เจริญดีอุอริยมรรคเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กําหนด ธรรมชาติที่เป็นบริวารของกันและการอริยมรรคบริบูรณ์อริยมรรคนี่ไม่เป็นเอกขตาอารยมรรคไม่ฟุ้งซ่านอริยมรรคนี่มีความเพียรประคองไว้อริยมรรคไม่กระจัดกระจายด้วยสมาธิอริยมรรคไม่ขุ่นมัวเพราะมีความเพียรอริยมรรคนะไม่หวั่นไหวอริยมรรคนี่ปรากฏด้วยความที่จิตเป็นเอกคตาอริยมรรคมีนิพานเป็นอารมณ์อริยมรรคโคจรไปในนิพานอารยมรรคนี่มีนิพานเป็นอารมณ์โดย นิสรณประหารอริยมรรตเนี่ยสละออกจากกิเลสหมดเลยอริยมรรคบริจาค ก, กิเลสอย่างแท้จริงออกโดยส่วนสองสังขารและปะวัตตะออกจากนิมิตปวัตตาเนี่ยนะอริยมรรต์นี่ละเอียดประณีตหลุดพ้นอริยมรรตเนี่ยพ้นไปจากกิเลสพ้นน้อมไปในนิพานไม่มีอาสวะเป็นเครื่องข้ามกันดารคือกิเลสและสังสาระ น, นะผู้ที่บรรลุอริยมรรตก็ด้วยอนิมิตาตาอปนิหิตะสุญญตา ขณะที่บรรลุก็สมถาวิปัสนาเนี่ยมีกิจเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าทำกิจมีวิมุตติรสเป็นกิจสมถาวิปัสนาเนี่ยเอาการสะทำกิจเหมือนกันขณะอารยมรรคเนี่ยทั้งมรรคแปดไม่มีใครล่วงเกินกันและกันไม่มีใครล่วงเลยกันและกันเลยสมถาวิปัสนาเนี่ยยุคคณะทำเนี่ยคู่กันจริงๆ น, นะนำออกจากวัฏฏะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเห็นพระนิพพาน แล้วก็เป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นทั้งสามสิบเ็ดข้อนี้เป็นสวากขาตัวนะอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระอาจารย์ถ้าแล้วข้อย5 26, ้ายี่หกยเจ็ดสมถะและวิปัสสนาต้องเป็นตอนนั้นต้องทำกิจเสมอกันไม่ก้าวล่วงเลยกันเป็นคู่เคียงกันแล้วทำไมถึงมีบัรลุโดยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตนะคะ อตัวนั้นเนี่ยคําว่าเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์นี้หมายถึงว่ามีอะไรเป็นบาตรเขาถือเอาตัวก่อนหน้านี้มาถือเอาบาตรบาตรที่จะทําให้บรรลุถ้ามีอรูปประชามเป็นบาตรเขาเรียกอุปโตภาครวิมุตต์ถ้าไม่มีอรูปประชามเป็นบาตรเรียกว่าปัญญาวิมุตต์อย่างเงี้ยเขคือถือเอาบาตรเป็นประมาณ คือที่นี่แหละที่อธิบายอริยมรรคพิสดารที่สุดเนี่ยนะสภาวะของอริยมรรคขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนั่ยนะคือ <c oughs> คําว่าสภาวะที่ควรกําหนดรู้เนี่ยตัวสภาวะตัวนี้เนี่ยหมายถึงลักษณะของอริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดพร้อมกันเนี่ยที่ ประชุมพร้อมกันแล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้คือสภาวะที่ควรกําหนดถูกไหมครับสภาวะก็คือลักษณะของอรียมักเนีโยองแตกเขากำลังประชุมรวมกันนะแล้วก็ทําหน้าที่ที่ที่ททมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะฮะแล้วที่ว่าสภาวะที่ควรกําหนดนี่ข้อหมายความว่าอริคหานี่นะฮะ ปาลิกข่แปลว่าพิจารนามใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไงครับตัวนี้หมา ย, มายถึงขณะอริยมรรคเกิดขึ้นนั้นจะไม่มีการวินิจฉัยแบบที่เราวินิจฉัยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผู้ที่วินิจฉัยเสร็จแล้วนะทำปริญญากิจโดยขณะนั้นน่ะปริญญาโดยกิจแต่มีนิพานโดยอารมณ์เพราะผู้ที่มีนิพานโดยอารมณ์นั้นจึงจะเข้าใจตรงนี้ดี ไอ้คำว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคําแปลมาจากคําว่าปริคหัดโถเนี่ยนะต่อประตะต่อต่อประตะ ก, กับทอสัมผานตัวนั้นเนี่ยถ้าแปลงต่อประตะเป็นต่อเต่านะแล้วก็ท่อฐานเป็นทอถุงเนี่ยน네ะก็จะเป็นอัถะใช่ไหมที่จริงน่าจะแปลโดยศัพท์ว่าอัฐะที่กําหนดถือเอาโดยรอบอัถะนะตัฐะตัวนั้นน่าจะแปลว่าอัฐ อัถะที่ควรกาหนดถือเอาเนี่ยนะน่าจะคครายๆคำว่าอัถะนะถ้ า, ถ, าถ้าดูตามพยายามชนะนะอัถะที่เป็นบริวารอัฐะตัวนั้นแปลว่าเนื้อความเนยเนื้อความหรือเนื้อหาสภาวะของพวกนั้นน่นะอานจะใช้คาว่าสภาวะก็ได้ใช้อะไรก็ได้เพราะว่าในขณะนั้นไม่มีความเป็นสัตว์อยู่แล้วก็มีแต่พลสภาวะธรรม ในขณะที่อริยมรรคเกิดนะนเพราะาอริยมรรคก็ไม่ใช่ผู้ใดไม่ใช่ใครคำว่ากำหนดในที่นี้นี่ไม่ใช่ไปไปลักษณะแบบกำหนดแบบทั่วๆไปนะเพราะว่าตอนนี้พูดขณะอริยมรรคอย่างเดียวซึ่งจะไม่เหมือนยาตะปริญญาตีระนปริญญาอะไรชั้นล่างๆอะไรเลยไม่ใช่นะ่นะซึ่งพวกรำปริญญาในชั้นล่างๆนั้นเป็นการวิจัยอย่างกว้างขวางมากแต่อันนี้เป็น เป็นการวิจัยในระดับสูงสุดในขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะใช้คำว่าปริญญาก็เป็นปรหารหิยานะปริญญาอย่างเดียวแต่เป็นการกำหนดแบบกำหนดเพื่อจะละนะเพราะขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าขณะที่สละกิเลสขณะที่ละกิเลสแต่ไม่ได้ลักษณะกำหนดแบบภาษาไทยเนี่ยนิยามของคาว่ากาหนดนี่มันแค่ไหนนิยามของคาว่ากาหนดเลยเนะแค่ไหน กำหนดจดจำส่วนใหญ่ก็ใช้ความหมายแบบนี้นะกำหนดจดจำเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะนะนนก็ขอมาเรียนเอาไว้เจริญธรรมมนุสติเออทำสภาพของพระนิพพานิยมมรรคเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ได้บุญแล้วขอโทษอาจารย์ฉันขอถามว่าอย่างเช่นนิมิตที่ สังขารนิมิตก็คืออย่างเช่นเกิดแก่เจ็บตายหรือเป็นทุกข์หรือโศกกบรเรีเทวะอย่างนั้นความหมายของนิมิตตรงนี้ใช่ไหมครัใช่นิมิตคือวะตตนิมิตคือสังขารนิมิตหมายถึงขันห้านะสังสังขารธรรมทั้งปวงอ่ะเรียกว่านิมิตท่นานอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นนี่ก็ออกจากนิมิตคือวะตตนะั่นเองพูดภาษาง่ายๆเลยนะไอเนี่ยที่เราเห็นเราได้ยินทั้งหมดเนี่ยเรียกนิมิต ท, ทั้งหมดเลย มันไม่ใช่อย่างนี้ก็แล้วกันน่ะนี่พ่านอย่างนั้นเถอะนะไม่ใช่อย่างนี้หรอกอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นด้วยอ๋ตอตรงนี้ยากพันอย่ากที่เรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยเของมาจึงอยากให้ให้ไปเจริญเนี่ยอนุปัสนาให้ดีๆกับทุกอารมณ์เอาไว้ดีๆแล้วก็พยายามคิดว่าจักขู่นิโรธจักขูก่กระจักขูนิโรธเนี่ยนะใ ห, ให้ลองชั่งเทียบเคียงดู ตัดชันทราคาในจากหูนะมันก็พระองค์จึงพยายามอธิบายเหมือนถอนดอกบัวบ้างเหมือนตัดอะไรให้ขาดบ้างเหมือนอะไรบ้างเนี่ยพยายามอุปมาไลย่ในแต่ทีนี้ผู้ที่ยังเยื่อใยในขันท่าฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะว่ามันคิดยังไงมันก็ไม่พ้นขันท่าจะเอาขันมาเปรียบจนได้นั้นก็มันต่างจากขันโดยประการทั้งปวงเพราะเรายังไม่เห็นขันโดยความเป็นของหน้าปฏิกูล ถ้าเห็นขันโดยปฏิคูลจริงๆแล้วจะเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีเลยสัจจะสีเนี่ยนะเราต้องแม่นมากๆเลยทั้งทุกสมุทยัยนิโรธเนี่ยแม่นอยู่แล้วจึงจะเข้าใจอริยมรดังกล่าวเป็นอย่างดีถ้าสัจจะก่อนๆค่อนข้างจะไม่ค่อยจะทราบซึง้งหรือสาบสนตัวอริยมรดนี่ก็ไม่ง่าย ไี่น้านะโบราณท่านจึงให้ตั้งความปรารถนาไว้แต่งันนู่นๆมาว่าอารยมรดีนะให้ทําบุญแล้วตั้งไว้นะเวลาเพราะว่านี่นะถ้าศึกษาอะไรมาไม่ดีตั้งกับเบื้องแรกเลยมาฟังอารยมรดเข้า ช, ชักน้ำไม่เคยเอาละเอ็มดีจริงหรือเปล่านะแต่จริงจริงนะดีนะพวกนี้นาออกจากทุกจริงจริงแต่ถ้ามองหลายๆคําเนี่ยนะเช่นอปริคหะบริวารบริบูรณ์เนี่ยนะเขามาจาับเป็นกลุ่มเห็นไหม จริงๆจะมีช่องไฟห่างอยู่เยอะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้กำหนดถือเอาบริวารบริบูรณี่มันอยู่กลุ่มเดียวกันเน่นะแล้วแต่จะถือเอายังไงก็ได้สามคำเนี่ยชอบคำไหนล่ะกำหนดหรือเป็นบริวารหรือมันบริบูรณีส่วนว่าเอกคตตากับอวิเคตะเนี่ยนะตัวนั้นก็คือไม่ฟุ้งซ่านน่ะเอกคตาก็คือสมาธิไม่ฟุ้งซ่านก็คือสมาธินั่นเดียวกันนั่นแหละ ปะกะหะแยกออกมาหะาหะาก็คืออะไรวิริยะเนี่ยนะส่วนไม่กระจัดกระจายตัวนั้นก็คือสมาธิอนาวิระไม่ขุนมัวก็หมายถึงความเพียรอนินชนะไม่หวั่นไหวก็คือสมาธินั่นแหละส่วนเอกคตาอันนะสามารถความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกัคตาก็คือสมาธินั่นเอง ทีนี้การที่จะอธิบายตัวอริยมรรคให้เข้าใจก็ต้องเอาอารมณ์มาอธิบายอารมณ์มานั้นก็คืออะไรคือนิพพานอั้นอารามณะโคจระปะหานะก็เน้นตัวอารมณ์คือนิพพานทีนี้ตัวอริยมรรคเขาทํากิจอะไรทํากิจบริจาคทากิจออกทํากิจลีกเขาต้องการหลีกอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงส่วนคําตั้งแต่ข้อสิบเจ็ดเป็นต้นไปก็คือเป็นคําชมนะ เป็นคำชมว่าเออเนี่ยเขาละเอียดเขาประณีตเขาหลุดพน้นเขาไม่มีอาสวะเขาข้ามได้นะส่วนชุดยี่สองยี่สามยี่สี่ก็คือบอกเขาเป็นวิโมกเนี่ยนะเป็นวิโมกส่วนเอกรสเป็นต้นเนี่ยนะมีกิจเสมอกันไม่หล่วงเลยการเป็นคู่กันก็คือกลุ่มว่าสมถาวิวปัสนาขณะอริยมรรคเขาเกิดขึ้นเขาทำกิจบริบูรณ์ส่วนสี่ข้อสุดท้ายเนี่ยก็แสดงตามอัดของสักจะ อั น, นัอัของสัจจะก็เลยมาแบ่งให้ดูเป็นกลุ่มๆไปท่านก็ผู้ใดศ ร, รัทธาเช่นใดก็เอาไปปฏิบัติเอาเถิดตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่วิสัยของกักกะในสติปทานอัตกฐถาจึงบอกเลยว่าการกำหนดสัจจะโดยเฉพาะมรรคสัจ ก, กับนิโรสัจจะมีกิจอย่างเดียวคือฟังเอาไว้ว่าดีเยี่ยมบริบูรณ์ฟังไว้รู้เท่านั้นแหละ ที่เหลือไม่ต้องไปวิจัยเอนนอ น, นี่มันเท่านั้นไหมมันเท่านี้ไหมคนนึกไม่ออกหรอกเพราะางั้นเหมือนอย่างว่าน า, น, นายพรานนายพรานเอชาวป่าเขาเข้ามาในเมืองมารบริโภคขนมเค้กอรอ่ อ, รอยๆเนี่ยนะกลับไปเล่าให้ฟังแล้วก็อ่านตำราโยมตรกเนี่ยนะมันมันหวานเท่านี้นะมันเปรี้ยวเท่านี้มันเค็มเท่านี้เอ๊ะชาวชนบทไอ้มันเปรี้ยวเหมือนอะไรนะมะขาม มันหวานเหมือนอ้อยเอมันนิ่มๆเหมือนอะไรนะก็นึกนึกยังไงก็นึกไม่ถูกว่าเอ๊ะรสชาติขนมเค้กเนะี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าให้ชาวบ้านนอกของนี้ก็ลักษณะเดียวกันทั้นคําอธิบายเหล่านี้กระบว่านิยามมันเนี่ยเอาไว้กันเข้าใจผิดไม่งั้นเนี่ยถ้าศึกษาไปศึกษามาเนี่ยอริยมรรคของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาเรียกว่าคนที่ผ่านยานสิบหกมาแล้วเนี่ยตัวยานเขาเป็นอย่างนี้ไหม อ่านแล้วเข้าใจทราบซึ่งแม้ถ้าผ่านยาสิบหกมาจริงเนีย่ยนะเป็นพระโสดาบันนะ่ะเก็ถามว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันดูว่ามรรคของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นตามนี้หมดเลยไหมไม่ขัดแย้งกันเลยอันเดียวกันจริงๆเ้าแน่ใจขนาดนั้นไหมอันนี้เราก็ได้ฟังว่าเพราะบางอย่างถ้าเกิดนึ ก, น ก, นกว่านี่เราสงสัยบรรลุแล้ก็มาอ่านดูว่ามันใช่ไหมล่ะมาตรวจดูกันแล้วกันถ้ามันตรวจแล้วไม่ใช่ก็เออก็ อาจจะได้หูซื้ออะไรมาเหมือนเพชรลยท่านอาจารย์คะพอเรียนมาถึงตรงนี้โยมก็นึกไปถึงพระพุทธวจบที่พระองค์เคยกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริดังนี้ว่าทำที่เราได้บั น, บนรลุแล้วเป็นธรรมะที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมประณีตสงบอย่างถึงไม่ได้ด้วยการตรึกละเอียด รู้ได้แต่บัณฑิตเท่านั้นรู้สึกว่าเพิ่งจะมาซึ้งเต่งมีวันนี้เลยเข้าใจคํานี้เลยนะมิน่าเลยไม่รู้จักอธิบายกันยังไงนะนั่นนะมันก็ลึกซึ้งจริงๆอ่ะนะมีหน้าละพ่อองค์จึงบอกไม่อยากสอนตอนนั้นอ่ะนะตอนแล้วก็ไม่เขาไม่เข้าใจมันเหนื่อยแค่ไหนยังไพูดแทบตายเอาพูดเรื่องอะไรนะน่ะยุ่งเลยนะก็ของเรานี้ก็นับว่า ฟังมาเป็นสวนานุติยะนะฟังเอาบุญไว้เถอนะอันนวันนี้คือสิ่งที่เรานับถือไม่ใช่หรือถ้าเราฟังในสิ่งนี้คือสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราเคารพสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาว่าสักวันหนึ่งนะเราจะต้องกําหนดถือเอาอารยมรตให้ได้อารยมรตต้องเป็นบริวารของกรรมในกรรของเราเราต้องเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้บริบูรณ์เมื่อเจริญบริบูรณ์เนี่ยนะจิตต้องเป็นเอกคตตาต้องไม่ฟุ้งซ่าน ตองประคองเอาไว้ไม่กระจัดกระจายไม่ขุนมัวไม่ยวนไวนะจิตตั้งมั่นแล้วก็โคจรมีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นโคจรสละกิเลสนะบริจาคกิเลสด้วยอริยมรรคออกหลีกจากวัตะโดยประการทั้งปวงสงบประเนีดหลุดพ้นไม่มีอาสวะข้ามไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายนะว่างสุญญตาเนี่ยนะว่าง มีกิจอันเดียวกันไม่ล่วงเลยการเป็นคู่การนําออกเป็นเหตุเป็นการเห็นเป็นอธิบดีเนี่ยนะแล้วก็สักวันหนึ่งว่าเราก็จะได้เจริญอย่างนั้นบ้างก็ขอน้อมน้อมผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้ว่าะพระพุทธเจ้ามีอารยามรรคเหล่านี้อยู่ในพระองค์เนี่ยนะ